ขอนอภบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตาประปุพพาศิขาและบุพพาิิขาวันานาพระอมราพิรุิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรชนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงอุโบสถวัสสุปันญิกาปวารณาสามอย่างโดยย่อ ้รงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวอุโปสเทปปาติโมกขังอุ ด, ดิสิตุงแปลว่าเราะถาคตอนุญาตให้แสดงซึ่งปาติโมกในวันอุโบสถอุโบสถโดยวันนั้นมีสามคือจาตุดดสิโกปนนะระสิโกอุโบสถที่สิบสี่อุโบสถที่สิบห้าและสามัคคีวันสงพร้อมเพียงกันก็คือแตกกันแล้วก็รวมกันได นับตั้งแต่วันอุโบโสถจะรู้ว่าปภาวณาก่อนมาถ้าติดสี่วันชื่อว่าจาตุดดัสิโกพึงตั้งยติว่าอัจุโปสโธจาตุ ด, ดโตดังนี้ถ้านับได้สิบห้าวันชื่อว่าปัณระสิโกพึงตั้งยติตามบาลีว่าอัจุโปสโธปันนารโตดังนี้สมแต่การด้วยวิว า, าทาธิกรอนดังที่ตุชาวเมืองโกสัมพี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 เดือนสิบสองเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือหลังจะออกบัญชาในเดอรรเนอ่ะ เ, เดือนหนึ่งเป็นช่วงของการทําประวัตินาซึ่งจะมีการเข้าบรญชาแรกกับเข้าบรญชาหลังเข้าบรญชาแรกก็สิ้นสุดเดือนสิบเอ็ดวันมหาประวัตินะอีกเดือนหนึ่งก็อยู่ในช่วงของผู้ที่จำบรญชาหลังอันหนึ่งวันอุโบสถว่าโดยบุคคลผู้ทํามีอีกสามก็คือ สังฆอุโบสถหนึ่งคณะอุโบสถหนึ่งปุคละอุโบสถหนึ่งทิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพึงทำสังฆอุโบสถตรวจปาธิโมกทิกษุสองสามรูปพึงทำคณะอุโบสถบ่อปาธิสุทธิทิสุรูปเดียวพึงทำปุคละอุโบสถก็คืออธิษฐานเอาอันหนึ่งเมื่อว่าโดยอาการจะพึงทำมีอีกสามก็คือสุดทิสเทศะอุโบสถประสวัสดิโมกแบบพิสดาร แล้วก็ปาริสุทธิอุโบสถก็แสดงปาริสุทธิกันและอธิษฐานอุโบสถก็อธิษฐานเอารูปเดียวพิสูตตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปให้ตั้งสังขายติว่าสุงโตกเมผันเตสังโคดังนี้เป็นต้นแล้วก็สวดปาฏิโมกข์ชื่อว่าสุดตุเทสะอุโบสถปาฏิสุทธิอุโบสถนั้นมีสองอย่างก็คือบอกแกกันและกันอย่างหนึ่งแล้วก็บอกในสำนัก ของภิกษุอื่นอย่างหนึง่งบอกกับกันและกันนั้นก็มีสองอย่างก็คือตั้งยติตับไม่ตั้งยติในอาวาตใดถึงวันอุโบสถภิกษุมีแต่สามมีสมรูปเธอทั้งหลายนั้นพึงประชุมกันแล้วภิกษุผู้ฉลาดรูปหนึ่งพึงตั้งคณะยะติว่าโสณโตเมผันเตอาเยสมันตาอจชูโปทโทปนนกรโสยาดายสมันตานังปตะกัลัง มายังอัญยะมันยังปาริสุธิอุปสะทังกะเรยามะดังนี้แล้วพิกษุผู้เถระพึงทําผ้าผมเฉียงบาข้างหนึ่งนั่งกระโยงยกมือประนมกล่าวบอกความบริสุทธิ์กับภิสุทั้งหลายนั้นว่าปาริสุธโธอาหังอวุโตปาริสุธโทติมังธาเรทะดังนี้สามหนและวพิสุนุมก็พึงทําอย่างนั้นบอกโดยลําดับกันว่า ปริสุดโทอะหังพันเตปริสุดโทติมังทาเรธาดังนี้สามหเหมือนกันอันนี้ชื่อว่าตั้งยติบอกปริสุทธิโดยตั้งยติถ้าอยู่สองรูปไม่ต้องตั้งยติประชุมกันนักสีมาแล้วภิกษุผู้เป็นเถระจึงทําผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงยกมือประนมกล่าวบอกความบริสุทธิ์กับฏิจุดหนุมว่าปริสุดโธอะหังอุโซปริสุดโทติมังทาเรหิ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 ก็หมายถึงภิกษุที่เข้าภาษาหลังเนี่ยหรือว่าภาษาขาดหรือว่าเข้าภาษากร น, นั้นครั้นถึงวันปรวรณาเข้าน้อยกว่าภิกษุผู้ปรวรนาก็คือภิกษุที่จําภาษาแรกเนี่ยเขากําลังจะประวรณาแต่ภิกษุผู้จําภาษาหลังหรือว่าจําภาษาขาดเนี่ยนะน้อยกว่าพึงให้กายสามาคคีภิกษุอื่นปรวรณาแล้วพึงบอกความบริสุทธิ์แห่งตนว่า ปริสุธโธอาหังทันเตปริสุทโธติมังคาเรทะดังนี้สามหัอันนี้ชื่อว่าบอกในสำนักของผู้ประวัตินาในวันอื่นไม่ใช่วันปรวัตินาทิสุเจ้าอาวาสถึงทิสุเจ้าถิ่นส่วนปาริโมกจบแล้วยังไม่ลุกหรือว่าลุกไปแล้วบางส่วนหรือว่าลุกไปหมดแล้วก็แล้วแต่ทิสุอักันตุกะอื่นมีจํานวนเท่ากัน หรือว่น้อยกว่าภิกษุเจ้าถิ่นมาถึงเขานั้นพึงบอกบริสุทธิ์ในสำนักของเจ้าอาวาสคือเจ้าถิ่นนั้น่ะโดยในนี้เถิดอันนี้ชื่อว่าบอกแก่ภิกษุผู้ไม่ได้ปรวรนาตอนนั้นถ้าเขาปรนาการภิกษุที่ทำมาสายหลังหรือว่าภิกษุที่ขาดปัญหาก็ต้องบอกบริสุทธิ์เหมือนกันในสำนักที่เขาปรวรณารือว่าถ้าเป็นวันอุโบโสถแต่ก็สวดปาฏิโมกไปแล้วภิกษุอาันรุกะมาภายหลังน้อยกว่าก็ ให้บอกปริสุทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาก่าต้องสวดปริโมกใหม่บอกอย่างนี้ชื่อว่าตาปริสุทธิอุโบสถส่วนอธิษฐานอุโบสถนั้นดังนี้ถ้าบิษุอยู่รูปเดียวพึงทาบุปรณทั้งปวงเป็นต้นว่ากาดรงอุโบสถนั่งคอยพิสุอืน่นซึ่งเป็นอาคันตุกะก็รู้ว่าไม่มาแล้วมืดแล้วค่าแล้วไม่มีใครมาแล้วละพึงอธิษฐานว่าอัชเมอุโปสะโธดังนี้ ในอัตถถาท่านสอนว่าให้กล่าวคําอธิษฐานตามวันด้วยว่าอัชเมอุปโธสโทษจตุตตโตหรือว่าปันนาโตโซติอธิษฐานิดังนี้อันนี้ชื่อว่าอธิษฐานอุโบสถอุโบสถว่าโดยวันสามโดยผู้ทำสามโดยอาการจะพึงทําก็สามก็เลยเป็นอุโบสถเก้าอย่างโบสเก้าอย่างโดยวันสามอย่างจตุรสีปนันนาสีวันสามัคคี โดยผู้ทำก็สังฆอุโบสถคณะอุโบสถบุคคลอุโบสถในอาการนิยธรรมก็สุ ด, สดเทสัอุโบสถตริสุดที่อุโบสถแล้วก็อธิษฐานอุโบสถก็รวมเป็นเก้าเมื่ออุโบสถหรือว่าปรานน่าเนี่ยพร้อมด้วยลักษณะดังนี้พิจตุจะไม่ทําอุโบสถหรือว่าไม่ทําปรานน่าในวันอุโบสถในวันปรานน่านั้นจะออกจากอาวาสหรือว่าอนาวาสไปยังอาวาสหรือว่าที่ไม่ใช่อาวาสนั้นก็เรียกว่าอนาวาส อันอื่นที่จะไม่มีพิกษุหรือมีพิจุแต่เป็นนานาสังวาสเพื่อจะไปอยู่ต้องทุกข์กดเว้นไว้แต่ไปกับสง์หรือว่ามีอันตรายกิจจะพึงทำก่อนแต่ประชุมเพื่อจะทำอุโบสถหรือว่าทำปราณานมีตียางก็คือกวาดโรงอุโบสถนั้นหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นวันปราณาก็กวาดโรงภารณานั้นหนึ่งถ้าเป็นเวลากลางคืนก็ตามประเทศหนึ่งตั้งน้าฉันน้าใช้ไว้หนึ่ง ปูอาสนะเพื่อจะทำอุโบสถหรือว่าจะทำปรวนานั้นหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าบุพกรบุพกรณ์เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนก่อนที่จะลงอุโบสถติตูนุมไม่เป็นไข่พระเถระบังคับคือใช้แล้วไม่ทำบุปกรณ์นั้นต้องถูกกดกิจจะพึงทำก่อนแต่สวดปาฏิโมกหรือว่าก่อนจะทำปรวนานมีห้าอย่างก็ได้แก่ นำฉันทะแห่งทิศุผู้ควรแก่ฉันทะหนึ่งนำปาริสุทธิถ้าเป็นวันอุโบสถถ้าเป็นวันปรณน่าก็นำปรนนาแห่งทิศุผู้ควรปาริสุทธิหรือว่าควรแก่ปรณ น, นานั้นหนึ่งบอกฤดูว่าฤดูนี้ชื่อนี้วันอนุโบสถในฤดูนี้ร่วงไปแล้วเท่านี้ยังเหลือเท่านี้วันอนุโบสถมาถึงเข้าวันนี้หรือว่าวันปรณนามาถึงเข้าวันนี้ดังนี้หนึ่งนี่เรียกว่าบอกฤดู นับพิกตุว่าเท่านี้เท่านี้ประชุมกันในโรงอุโบสถหรือว่าในโรงภารณานึงแล้วก็ให้โอวาดแต่ น, นางพิกษุนีหนึ่งห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุพกิจเป็นกิจที่จะต้องทําก่อนที่จะฟังอุโบสถหรือว่าทําำภารนาฟังปฏิโมกหรือว่าทำภารณาพิกตุอยู่ในสีมาเป็นไข่หรือประกอบกิจใหญ่มาโรงอุโบสถหรือว่ามาทาําำภารณาไม่ได้ ถึงวันอุโบสถ ต, ต้องให้ฉันทะหรือว่าให้ปาริสุทธิ์ให้ฉันทะให้ปาริสุทธิ์ถึงวันปรรารนาก็ต้องให้ฉันทะแล้วก็ให้ปรรารนามาแก่ทิฏฐูรูปหนึ่งให้ฉันทะนั้นให้สําเร็จการทําอุโบสถหรือว่าทำปตรนาและสังกรรมอันเศษแห่งสงอย่างเดียวส่วนอุโบสถหรือว่าปารนาแห่งตนไม่เป็นอันธทำต้องให้ฉันทะอย่างเดียวนะ ส่วนการนำปริสุทธิ์หรือว่าการนำปราณานั้นให้สําเร็จการทําอุโบโสถหรือว่าปราณาแห่งตนด้วยแล้วก็แห่งสงุ่ด้วยแต่ว่าไม่สําเร็จสังฆกรรมอันเศษแห่งสงุ่ได้ก็คือถ้าจะทําสังฆกรรมอันอื่นถ้าไม่ได้ให้ฉันทา ม, มาด้วยนี่ไม่เป็นอันสําเร็จแต่ว่าให้ปริสุธทธิ์ให้ปราณามานก็เป็นอันสําเร็จอุโบสถสําเร็จปราณาอย่างเดียวนะทั้งของตนแล้วก็ของสงุ่ยด้วยแต่ว่าถ้าสังฆกรรมอย่างอื่นนี้จะทําต้องไปขอฉันทามาอีก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 เท็กตุเท่าใดควรทำสัง่งฆาอุโบสถหรือว่าคณะอุโบสถสัง่งฆาโรนาหรือว่าคณะปรนาก็แล้วแต่เท็กตุเท่านั้นไม่ละหัตตาบัดกันอยู่ในสีมาเดียวกันอันนี้เป็นองค์หนึ่งพิสูจเข้ากันจํานวนเท่าใดก็มาทั้งหมดแล้วก็อาบัตเป็นสภาะมีวัตถุเสมอกันต่างดังเช่นการฉันอาหารในราวิการไม่มีแก่ตรงอันนี้เป็นข้อที่สามแล้วก็วัชนิยะบุคคลยี่สิบเอ็ดไม่มีในหัตตาบัด นี่ก็บุคคลที่เป็นโทษไม่มีอยู่ในหัตถบาตอุโบโสถตัวว่าเปรมาณพร้อมด้วยองค์สี่จึงควรทำควรกล่าวว่าปัตตะกันลังก็เรียกว่าปัตตะกันละถึงความพร้อมเพียงเป็นกรรมที่พร้อมเพียงความพร้อมเพียงถึงที่ปัตตะกันลังเนี่ยสําหรับวัชนยบุคคลยี่สิบเอ็ดก็ได้แก่ขรหัสหนึ่งสองกับพิกตณีสามนาสิกามนาสี่สามเนรห้าสามเนรีหกคนลาสิกขา เจ็ดก็คนต้องอันติมวัตถุก็คือต้องประราชิพไปแล้วนะข้อที่แปก็พิสุตุอันสงยกวัดด้วยมีเห็นอาบัตข้อที่เก้าพิสุตุอันสงยกวัดด้วยไม่แสง ด, ดสงอาบัตคืนแล้วก็พิสุตุอันสงยกวัดด้วยไม่ตรระกืนเสียซึ่งทิฐิอันชั่วติดเอ็ดก็บันเดาะทิฏฐองเถยยาวาสหรือว่าคนลักประเภทลักระเภทกกรภทับสังวาสเรียกว่าเถร ย, ยัสังวาสอันสิบสามพิสุผุภูเก้าพิสุลักที่เดียรถีเขารีดเดรยรถี สิบสี่เดรัชานสิบห้าคนฆ่ามารดาสิบหคนฆ่าบิดาสิบเจดคนฆ่าพระอรหรันต์สิบแปดคนประทุษร้ายนางพิษณุณีก็คือคมขืนนางพิษณุณีนั่นเองสิบเก้าก็คนทำลายสงยี่สิบก็คนทำโลหิตในพระกายของพระพุทธเจ้าให้ฮ้อแล้วก็ยี่สิบเอ็ดคนสองเพศก็คือทั้งเพศชายและก็เพศหญิงในบุคคลเดียวกันอุปตโตปัญชนกยี 21, ่สิบอ็ดนี้ชื่อว่าวัชรียบุคคลบุคคลที่เป็นโทษแต่สำนักรรม ก็จะพึงไล่หรือว่าจะพึงเว้นเสียนอกหัตถบาตรเป็นผู้ที่ควรจะต้องเว้นในคนเหล่านั้นเมื่อคนอันสงยกวัดสารจะพวกอยู่ในหัตถบาทสงทําอุโบสถหรือว่าปรณาด้วยต้องอาบัติตาจิตตีถ้าถูกสงยกวัดสารจะพวกเนี่ยโอเคปริยกรรมโอเคปัญญภิจิตถูกยกวัดไปแล้วชื่อว่าเป็นนาณาสังวาทะทำกรรมด้วยนี่ก็ต้องอาบัติปายจิตตีเมื่อคนอันเศษนอกนั้นอยู่ในหัตถบาตรและทํากรรมก็ต้องอาบัติทุกกฎ เพราะนั้นบุคคล21ประเภทนี้ก็ทางนี้ต้ององบัตบตาจิตตี3ประเภทส่วนอีก18ประเภทนั้นก็ถ้าอยู่ในหัตถบารแล้วยังทํากรรมก็ต้องผัดทุกกฎส่วนกรรมนั้นมี4อย่างดังนี้กรรม4อย่างนี้ก็คือกรรมแผ น, นหนึ่งนะแต่ว่าพูดถึงกรรมในพระนัยก็มีหลายประเภทหลายอย่างเหมือนกันกรรม4อย่างดังนี้ก็คือในวิหารอันหนึ่งพิกตุอยู่4รูป นำฉันทะหรือว่านำปริสุทธิแห่งเธอรูปหนึ่งไปแต่สามรูปทำปริสุทธิอุโบสถหรืออยู่สามรูปนำฉันทะปริสุทธิของเธอองค์หนึ่งไปแต่สองรูปตรวจปาฏิโมกดังนี้ชื่อว่าอธรรมเมนวัคคังเป็นวัคโดยไม่เป็นธรรมเป็นวัคด้วยเพราะว่ามาไม่ครบแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วยเพราะว่าธรรมผิดละ่ะกระสี่รูปต้องตรวจปาฏิโมกกามรูปต้องแสดงปริสุธิ อันนี้ก็ไม่เป็นไปนตามนั้นเพราะฉะนั้นเป็นวักด้วยมาไม่ครบและเป็นอธรรมด้วยทําไม่ถูกธรรมะทําไม่ถูกเทวินยัยถ้าสี่รูปประชุมกันทําปาริสุทธิอุโบสถหรือสองรู ป, รปตามรูปตรวจปาฏิโมกข์เช่นนี้ชื่อว่าอาธรรมเมนะสมักขังพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมมาพร้อมเพียงกันอยู่กี่รูปมาหมดอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงแต่ว่าสี่รูปนันตี แสดงปาริสุทธิ์อันนี้ไม่ถูกธรรมะสองรูปสามรูปนั่นไปตรวจปาฏิโมกอันนี้ก็ไม่ถูกพระวินัยสองรูปสามรูปต้องแสดงปาริสุทธิ์สี่รูปต้องตรวจปาริโมกถ้าอยู่สี่รูปนำปาริสุทธิ์ของเธอรูปหนึ่งไปแต่สามรูปตรวจปาริโมกถือว่าอยู่สามรูปนำปาริสุทธิ์ของเธอไปรูปหนึ่งแล้วก็สองรูปทําปาริสุทธิ์อุโบสถดังนี้ชื่อว่าทำเมนะวัดคังเป็นวัดโดยทำอยู่กี่รูปไม่มาแต่ว่าให้ ฉันทะมาที่เหลือก็ทำกรรมแต่ว่าทำถูกก็คือสามรูปก็ปแสดงปริสุทธิถ้าสี่รูปอยู่แห่งเดียวกันทั้งหมดประชุมกันสวดปฏิโมกและอยู่สามรูปทำปริสุทธิอุโบโสถและสองรูปก็บอกปริสุทธิแก่กันและกันดังนี้ชื่อว่าทำเมนะสมักังพร้อมเพียงกันโดยธรรมกรรมสามข้างต้นนั้นไม่ควรทำถ้าทาก็มีอบัตดด้วยควรทาแต่กรรมข้างปลายอย่างเดียว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 ให้ทําให้แจ้งซึ่งทิฏฐิความเห็นคือไม่สมควรแต่ตัวเองตัวเองไม่เห็นด้วยควรจะทําให้แจ้งซึ่งความเห็นว่าตัวเองไม่เห็นด้วยเพราะว่านี่ถูกธรรมะถ้าอยู่รูปเดียวให้อธิษฐานว่ากรรมนั้นไม่ควรอย่าพูดไปเดี๋ยวจะไม่ได้ออกจากหมู่ถงก็ต้องดูนะว่าในหมู่ถงนั้นมีพิกสุขที่ดุร้ายหยาบคายอยู่หรือเปล่าถ้าไปพูดตรงเดชไปเดี๋ยวก็เป็นอันต ร, รายกับชีวิตแม้ำก็ทํากรรมไม่เป็นธรรมแต่ว่าตัวเองรู้อยู่นะไม่พูด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 สวดปาจิโมกเป็นของเนื่องด้วยพระเถระการสวดปาจ่วงนี้สําหรับพระถเถระพระเถระถึงสวดเองหรือเชิญให้ผู้อื่นสวดด้วยว่าการแสดงปาจิโมกนั้นเนื่องอยู่ด้วยที่สุผู้ฉราดวิธีที่จะเชิญให้สวดปาจิโมกควรรู้ดังกล่าวแล้วในการเชิญให้แสดงธรรมนั้นเถิดที่สุผู้ฉราดก็คือผู้ใดรู้อุโบสถเก้ายางและรู้อุโบสถกรรมสีย่ยางโดยคาพร้อมเพรียงเป็นวัดพร้อมเพรียงโดยธรรมหรือว่า เป็นวัดพร้อมเพลงเรือธรรมแล้วก็รู้จักปาฏิโมกข์สองอย่างทิศสุ ป, ปัสโมกกับทิศตูนีปาฏิโมกข์ปาฏิโมกขุเทศเก้าอย่างหรือว่าห้าอย่างปาฏิโมกขุเทศเก้าก็มีห้าก็มีถ้าห้านี่ตามพุทธพจน์ถ้าเก้านี่ตามมาตกถาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ฉลาปลาฏิโมกขุเทศห้าดังนี้คือส่วนนิทานุเทศตั้งแต่สุนาตุมีพันเตสังโคไปจนถึงห้าสุโคติแล้วก็ ตวจอุจิตท่ทานโคอายะสมันโตนิดานังไปจนถึงเอวเมตังธาทะยามิจบนิทานอุเทศดังนี้แล้วก็อุทเทศนอกนั้นประกาศเอาด้วยสุตตาบทสุตตาบทก็คือสุดย่อดนั่นเองสุตตาโคอายะสมันเตหิจัตตารปะรชิกาธรรมาสุตตาโคอายสมันเตหิเตระสาสังขาริเสสาธรรมาสุตตาโคอายะสมันเตหิเวนยะตาธรรมาสุตตาโคอายสมันเตหิ ติงสนิสพิยาปาจิฏญาธรรมาสุตาโค อ, อายสัมเตหิต เ, เวนวุติปาจิตฏยาธรรมาสุตาโค อ, อายสัมเตหิเซจิฏยาธรรมาสุตาโค อ, อายสัมเตหิตตาติกรมาสัมท่าธรรมาจนทั่งถึงอวิวัมาเนหิสิกิตตบังดังนี้ชื่อว่าเป็นอุทเทศที่หนึ่งเป็นการสรวจยอ่อตรวจไปจนจบปาราชิกุเทศ อุเทศนอกนั้นประกาศเอาด้วยสุตตะบทดังก่อนดังนี้ชื่อว่าเป็นอุเทศที่สองตรวจไปจนจบสังฆาทิเสสุเทศอุเทศนอกนั้นก็ประกาศเอาด้วยสุตตบทดังก่อนดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุเทศที่สามตรวจไปจนจบอนิยตสุเทศอุเทศนอกนั้นก็ประกาศเอาด้วยสุตตบทดังก่อนดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุเทศที่สี่ส sure. สสตั้งแต่นิสักขิยุตเทศไปจนจบปาติโมกหมดดังนี้เป็นอุเทศที่ห้า ชื่อว่าวิถารุเทศก็คือส่วนแบบพิศดาเลยนี่ก็เป็นอุเทศห้าแต่ว่าจะเป็นในอัตถกาถาเพื่อแจงออกมาว่านอกจากนิสักยยาุุเทศก็ต่อไปก็เป็นปาจติติุุเทศแล้วก็เป็นปาติเดสนยุุเทศเป็นเสขิยุเทศอธิกรรมะสมัตถุเทศก็เลยกลายเป็นเก้าอุเทศไปในอาวาดใดที่สุฉลาดเช่นนี้ไม่มี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 เมื่อภิกษุประชุมตันจะทําอุโบสถพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จมาชื่อว่าราชันตรายอันตรายแใ่พระราชาถ้ามาแล้วเดี๋ยวคนว่าแหกกันมาก็ไม่เป็นอันทาสุขเพราะฉะนั้นก็ตรวจยอดได้จรทั้งหลายมาชื่อว่าโจรันตรายไฟป่าไหมหรือว่าไฟตั้งขึ้นในอาวาสชื่อว่าอัคคยันตรายอัคคีนันเองอัคคีอันตรายเมฆตั้งขึ้นหรือว่าพ่วงน้ํามาชื่อว่าอุดักันตรายอันตรายแต่น้ํา มนุษย์ทั้งหลายมามากชื่อว่ามนุษย์สันตรายจะมามากแล้วมันก็เกิดความชุลมุนเสียงดังอือฮากันก็ไม่เป็นอันสงบส่วนปาติโมกก็ไม่มีสมาธิมันนั้นก็สรวจย่อดได้ยักษ์มาจาับทิจุชื่อว่าอามนุษย์สันตรายสัตว์ร้ายเป็นต้นว่าเถอะโคร่งมาชื่อว่าบาวันตร้ายสัตว์ร้ายมางูเป็นต้นมาก็ชื่อว่าสิริงสักปันตรายทิกจุเป็นใข่หรือว่าทําการและกิริยาหรือคนมีเวรจับทิกจุฆ่า ชื่อว่าชีวิตอันตรายมนุษย์ทั้งหลายจับพิุรูปเดียวหรือว่ามากรูปเพื่อจะให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ชื่อว่าบรมจะหรือยันตรายเมื่ออันตรายติดดังนี้มีพึงสวดปาติโมกโดยย่อพึงสวดแต่อุเทศที่ต้นหรือที่สองที่สามที่สี่ในในอุเทศที่สองเป็นต้นอุทเทศใดตรวจค้างอยู่อันตรายมีมาแนวอุเทศนั้นพึงประกาศเอาด้วยสุดตบท แต่นิทานุทเทศสวดยังไม่จบยาพึงประกาศด้วยสุดตบทพึงสวดเสียให้จบอุเทศนอกนั้นพึงประกาศเอาด้วยสุดตบทเมื่อไม่มีอันตรายพึงสวดโดยพิาดารจนจบอันหนึ่งในวันอุโบโสถหรือว่วาวันปวารณาเจ้าอาวาสหรือว่าอาคันตุกะไม่รู้ว่าทิกฐุในภายในถีมามีและทําอุโบโสถหรือว่าทำปวนารณาไม่เป็นอบัตถ้าไม่รู้ว่ามีอยู่แต่ถ้ารู้ว่ามีอยู่และสงสัยด้วยรังเกียจอยู่ด้วย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 พึงสวดใหม่หรือว่าทําปรณนาใหม่ถ้าผู้ที่เข้ามาที่หลังมามากกว่าเนี่ยถ้าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยสวดค้างอยู่หรือว่าปรณนาค้างอยู่ในี่ยนะผู้มาใหม่พึงฟังต่อไปหรือว่าทําปรณนาต่อไปเลยได้ถ้าตรวจปาิโมกหรือว่าทําปรณนาจบแล้วยังไม่ลุกหรือว่าลุกไปหมดแล้วก็ตามผู้มาใหม่พึงบอกปาริสุทธิหรือว่าบอกปรณนาในสํานักของผู้ตรวจปาจิโมกหรือว่าผู้ที่ปรณนาแล้ว อันหนึ่งวันอุโบสถวันปรณาแห่งเจ้าอาวาสเป็นวันที่สิบสีแห่งอาคันตุกะเป็นวันที่สิบห้าถ้าเจ้าอาวาสมากกว่าหรือว่าเท่ากันอาคันตุกะพึงอนุวัตตามแล้วจะเจ้าอาวาสถ้ามากกว่าก็เอาตามผู้มากกว่าก็แล้วกันคือให้ตั้งยติว่าจะตุตตะโซหรือว่าจะตุตตะซีถ้าอาคันตุกะมากกว่าให้เจ้าอาวาสพึงอนุวัตตามอาคันตุกะตั้งยติว่าปณารโซหรือว่าปานาระซี วันอุโบโสถหรือว่าวันปรณาแห่งเจ้าอา ว, วอ า, าสเป็นวันที่สิบ ห, ห้าค่ำแห่งอคันตุกะเป็นวันที่สิบสี่ค่ำก็เหมือนกันถ้าแห่งเจ้าอาวาสเป็นวันค่ำหนึ่งแห่งอคันตุกะเป็นวันที่สิบห้าถ้าเจ้าอาวาสมากกว่าหรือเท่ากันเจ้าอาวาสอย่าพึงให้กายากากาสังขาแก่อคันตุกะให้อคันตุกะนั้นพึงไปนอกสีมาแห่งเจ้าอาวาสทำอุโบโสถหรือว่าทำปรณนาเถิด ถ้าอาคันรุกตะมากกว่าให้เจ้าวาดพึงให้กายยะสามะคีแก่อาคนรุกตะหรือว่าไปเสียนอกสีมาก็ได้ถ้าแห่งเจ้าวาดเป็นวันที่สิบห้าแห่งอาคนตุกตะเป็นวันค่ำหนึ่งก็เหมือนกันอันหนึ่งทำอุโบสถหรือว่าทำปรณารในวันอื่นพ้นวันที่สิบสี่คาำหรือสิบห้าค่ำหรือว่าพ้นจากวันสามะคีนั้นต้องอบัตทุกกฎทาได้แค่สามวันเท่านั้นอันหนึ่งอนุญาตได้ว่าในวันอุโบสถให้ภิกษุผู้เป็นเถระประชุมก่อน ในอาตกถาว่าพ้าเถระไม่ไปประชุมเป็นทุกกฎไม่สมมุติตนก่อนถามหรือว่าวิสัชนาวินัยในท่ามกลางสงฆ์ก็เป็นทุกกฎสมมุติตนเองก็ได้ให้ผู้อื่นสมมุติก็ได้ผู้ถามให้สมมติตนเองด้วยยติว่าสุ ม, มาตุเมผันเตสังโฆญาดิสังทัสสะปะตะกัลังอะหังอิทัณนามังวินยังปุดชัยังดังนี้ ผู้อื่นสมมุติให้ว่าสุมาโตเมผันเตสังโฆยาดิสังขาสาปะตะกัลังอิทัณนาโมอิทัณนามังวินยังปุจเฉยยะดังนี้ผู้วิสัชนาสมมุติตนเองวา่าสุมาโตเมผันเตสังโฆยาดิสังขลาะปะตะกัลังอาหังอิทัณ น, น, นาเมณวินยังพุจโทวิสัชยังดังนี้ ถ้าผู้อื่นสมมุติให้ก็ว่าสุมโตเมผันเตสังโฆญาดีสังทละปะตะตลังอิทันนาโมอิทันนาเมีนาวินยังปุถุวิสัชยะดังนี้ในคําว่าอิทันนาโมอิทันนาเมีนาณีพิกจุชื่ออะไรก็ให้ว่าชื่อนักแทนคําว่าปริสุทธโธอาหังผันเตปริสุทธโธติมันทาเรทะ และคําว่าปริสุทธโธอะหังอาวุโสปริสุทธโธติมังทเรหิทั้งสองนี้แปลว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติอยู่แล้วท่านจงทรงข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เถิดอุโบสถกับปรนาร์เนี่ยเหมือนกันแต่ปรนาร์ที่แปลกจะกล่าวข้างหน้าจะมีอะไรแปลกท่านก็จะแสดงข้างหน้าในเรื่องของปรนาอุโบสถจะถาจบ สมควรกับเวลาก็ได้ฟังเรื่องของกวินัยเ ก, กี่ยวกับเรื่องของการทําอุโบสถเรื่องประวนาซึ่งจะทําให้พระวิสุทธนั้นอยู่ด้วยความผาสุกแล้วก็เป็นการอบรมสติสัมชัญญะที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ก้าร่วงสิกขาบทไม่เก้าร่วงพระบัญญัติโดยการกระพืิตามโดยความที่มีศรัทธาที่เรียกว่าสถาโพธิศรัทธ า, ททธาปัญญาหรือว่าศรัทธาเชื่อในความตรรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยเพื่อกูแก่ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา ต, ต, ต่อไปก็ขอให้เจริญงอกงามในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อความเป็นสงสาวกผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามคำสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็อนุโทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ